บรรยายพระวินัยนักธรรมชั้นตรีเหมือนที่ห้าโดยพระอาจารย์บุญมีจันทรุปมงคลสวัสดีครับท่านอานักเรียนนักศึกษานักธรรมชั้นตรีทั้งหลายวันนี้เราก็มาพบกันอีกในเรื่องของพระวินัยสิกขาบทที่สามแห่งปรารชิกสิกขาบทที่สามแห่งปาราชิกนั้นก็ข้อความก็คือพิสูจแกล้ง ฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องปาราชิกทีนี้คาว่ามนุษย์ในที่นี้นั้นหมายถึงอะไรก็ก่อนที่จะพูดถึงคำว่ามนุษย์ในที่นี้ก็อยากจะนำคำในบาลีที่กล่าวไว้ที่เราใช้สวดในปฏิโมกกันซึ่งเป็นคำแปลที่เราจะต้องนำมาให้รู้ก่อนแล้วก็จึงจะได้อธิบายว่ามันเป็นอย่างไร ในคําแปลของพระปฏิโมกในสิขาบทที่สามแห่งปริชิกนั้นได้กล่าวว่าอันหนึ่งซี่สซนใดแกล้งฆ่ากายมนุษย์จากชีวิตหรือแสวงหาสตราอันจะนำชีวิตเสียให้แก่กายมนุษย์นั้นหรือพรรณาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายด้วยคําว่าเนนายผู้เป็นชาย มีประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันชั่วนี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้เธอมีจิตใจมีจิตดาดิอย่างนั้นพรรณาคุณแห่งความตายก็ดีชักชวนคพืออันตายก็ดีเมหลายในแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาดไม่ได้ะฉะนั้นการพลาด มนุษย์าตาชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นโทษสำหรับที่สนะุเนี่ยเป็นโทษมากกายมนุษย์นั้นท่านประสงค์เอาตั้งแต่จิตแรกเกิดคือแรกปรากฏขึ้นนะในคันของมันดาตลอดมาจนถึงการเป็นที่ตายในระหว่างนี้ท่านเรียกว่ากายมนุษย์มนะาฆ่าจากชีวิตนื้คือตัดความเป็นให้ขาด ทำความสืบต่อให้กำเริบด้วยประโยคอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็เป็นอันว่าทำลายชีวิตประโยชน์ในการฆ่านะเช่นให้ประหารอย่างนี้ได้แก่การฟันด้วยสตราต่างๆแทงด้วยหอกหรือว่าตีด้วยไม้พลองหรือด้วยอ ะ, อะไรก็แล้วแต่ชื่อว่าให้ประหาร ให้ประหารเนี่หมายถึงว่าได้เก็ฟันด้วยมีดด้วยดาบด้วยอะไรก็ต่างๆที่ทำให้คนอื่นต้องต้องถึงกับการสิ้นชีวิตหรือไม่สีไม่ทำอย่างนั้นแต่เราแทงด้วยของที่มีคมของที่แหลมที่เราเรียกกันในปัจจุบันในเช่นเหล็กคุดชับหรือว่าปลายหรือมีดอะไรก็แล้วแต่ให้เขาตายหรือตีด้วย อาวุธด้วยไม้ต่างๆด้วยไม้พลองด้วยไม้อื่นๆก็แล้วแต่อย่างชีวิตให้ของเขาให้ขาดสะ บ, บั้นคืดตายลงอย่างนี้เรียกว่าให้ประหารก็เป็นอาบัติที่สุดเมื่อเขาตายอาการค่ายประเฟนก็เรียกว่าซัดไปประหารได้แก่การยิงยิงด้วยปืนหรือยิงด้วยหน้าไม้ยิงด้วยธนู หรื อ, อยิงด้วยยางสติกอะไก็แล้วแต่เรียกว่าซัดไปให้ถูกคนอื่นพุ่งไปให้ถูกคนอื่นพุ่งหลาวอย่างเงี้ยนะ่ะเอาพุ่งอะไรก็แล้วแต่พุ่งให้คนอื่นเขาตายทําให้ถูกคนอื่นตายหรือคว้างด้วยก้อนอิฐซิลาอะไรต่างๆเพื่อให้ถูกคนอื่นเขารียกว่าซั์ไปประหารนะซัดไปถูกคนอื่นด้วยเจตนาที่จะให้เขาตายเนี่ย ยิงไปป่วยให้ถูกคนอื่นเจตนาป่วยให้เขาตายอย่างนี้ก็ชื่อว่าซัดไปประหารก็เป็นการประหารอีกชนิดหนึ่งท่าตายมนุษย์ให้ตายก็ถ้าเขาตายก็เป็นอบัติถึงที่สุดเหมือนกันเรวยกว่าซัดไปประหารนะได้แก่การยิงกันนะพุง่งหรือการอนะขว้า ง, างต่างๆการประหารอีกประเภทหนึ่งก็ท่านได้กล่าวว่าวางไว้ทําร้าย ได้แก่การวางขวากฝังเหลาไว้ในหลุมพรางวางของหนักไว้ให้ตกทับวางยาตายและอื่นๆอีกแล้วแต่ในลักษณะอย่างนี้ก็หมายความว่าเราวางไว้ทำร้ายเขาด้แก่เราขุดหลุมแล้วก็ฝังวางขวากฝังเหลาไว้ในหลุม อ, อ น, นั่นแหละเช่นเราก็เคยได้ยินว่าผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ที่อยู่ในป่าเนี่ยก็มักจะขุดหลุมพรางวางขวากวางอะไรไว้เมื่อเจ้าหน้าที่หรือใครก็แล้วเดินทางไปโดยไม่ได้พิจารณาก็ตกลงไปในหลุมก็ถูกเอที่ท่อนแหลมเอพวกอะไรตัวอะไรไว้ข้างล่างเนี่ยก็ถูกแทงตายอย่างนี้ถ้าไปสู่ไปทําอย่างนั้นเอาไว้โดยวางขวากวางเหลาเอาไว้ฝังเหลาเอาไว้อย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ต้องอับัตบเหมือนกัด น, นะ แม้แต่วางของหนักไว้ที่สูงเอาไว้ในลักษณะที่ผู้ไม่รู้เดินมาข้างล่างไปทำให้สิ่งเหลนั้นตกลงมาถูกโคนตายอันนี้ก็ก็เป็นเหตุให้เป็นอวบเหมือนกันนะแม้แต่วางยาต่างๆใส่ ย, ยาพิษลงไปในอาหารใส่ ย, ยาพิษลงไปในน้ำหรือใส่ ย, ยาอะไรรก ไปยังไงก็แล้วแต่แทรกยากเข้าไปเพื่อให้คนอื่นตายก็ชื่อว่าวางไว้ทำร้ายเหมือนกันก็เป็นอาบัติถึงที่สุดฉะนั้นการทำกา ร, ระหารด้วยวิธีนี้ก็ทำไม่ได้หรือทำร้ายด้วยวิชาทำร้ายด้วยวิชาด้วยวิชาในมีเรื่องเกี่ยวกับมน์เรื่องไสยศาสต ร, รษษ์ต่างต เช่นปิศาไร่มนอาคมต่างๆใช้พูดผีเพื่อทําให้ผู้อื่นได้รับความเก็บตายก็มีอซึ่งก็เรื่องเหล่านี้ในปัจจุบันนี้ก็บางคนก็คงจะไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระคงจะคิดเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องจริงอยู่ชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของความพ้นทุกข์เป็นเรื่องของยศย์ศาสต ร, ร์คนที่ไม่เคยเห็นก็ไม่เชื่อ แต่คนที่ เ, เคยพบเคยเห็นมาก็จะเชื่อได้เหมือนกันที่มี อ, อยู่โดยที่เราก็มักจะได้ยินเมนื่กอก่อนนี้สมัยเกินปู่ย่าตายายรุ่นพ่อของเรานั้นก็มักจะเคยได้ยินเรื่องการ เ, าเรื่องสายศาสตร์เรื่องว่าฝัง เ, เข็มหรือว่าเสกหนังเข้าท้องอะไรต่ออะไรนี่ ก็เคยมีเป็นการทําลายคนอื่นอซึ่งก็ในด้านภาคอีสานจะมีชื่อเสียงอยู่ในจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศริรษสะเกษซึ่งก็มีพวกเขเมินอยู่มากก็มักจะใช้วิชาในการทําลายซึ่งกัเแลยกันในการเสกหนังเข้าท้องเสกตะปูเข้าท้องเข้าไปในร่างกายหรือว่าใช้เสกสิ่งของให้เกิดเป็นงูเอางูไปกัดอะไรต่ออะไรเนี่ย อันนี้ก็เคยได้ยินจนกัะทั่งหวาดกลัวกันเมื่อสมัยก่อนนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีเป็นไปได้เหมือนกันนะเว่าทาลายคนอื่นได้การเสกหนังควายหนังวัวซื่งใหญ่ให้เข้าไปอยู่ในท้องได้แล้วก็มันก็เกิดปฏิกิริยาเมื่อไปถูกน้ำถูกสิ่งที่ชื้นขึ้นมาก็จะพองขึ้นมาในสุดก็ถึงกับสิ้นชีวิตแต่ก็มีแลนะเสกให้เป็นงูเนี่ยงูชนิดนี้ไปกัด เมื่อกัดแล้วรักษาไม่หายในโรงพยาบาลก็รักษาไม่หายเพราะไม่ใช่งูทาพิษธรรมด า, าแต่เป็นงูที่เกิดด้วยวิช า, าคมอย่างนี้ไปกัดเข้าก็มีแต่เปื่อยมีแต่จะสิ้นชีวิตไปอย่างนี้ก็เขาใช้เหมือนกันฉะนั้นการใช้มนอาคมคาถาต่างๆอทําลายกันอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าทําด้วยวิชาทาลายกันด้วยวิชาเป็นระบาดถึงที่สุดเหมือนกันนะให้เขาตาย อในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่า จ, าจะไปมาคิดเรื่อใช้แรงไฟฟ้าช็อตอยังไงก็ได้คือเอาไฟฟ้าไปช็อตไปทําลายด้วยลักษณะอย่างนี้ก็ก็ถือว่าเป็นวิชาชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นวิทยาศาสตร์คือวิชาที่เกี่ยวกับไฟฟ้าก็ใช้อสิ่งเหล่านี้ไปช็อตหรือไปชกให้ชอ็ชอตให้เขาตายก็เป็นอบบตึงที่สุดเหมือนกันแล้วก็ ถ้าทำร้ายฤทริ์ฤทธิตั ว, ยวยอย่างในอัตตกถาท่านท่านาว่าได้แก่ที่สุดผู้มีตาเป็นอาวุธใช้เมื่อโกรดใครเนี่ยก็ถลึงตาดูผู้นั้นด้วยหมายจะให้ตายก็ก็ตายได้คือว่ามีมีตาเป็นเป็นผู้มีตาเป็นติ๊ดเนี่ยถลึงใส่สึ่งผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็ผู้นั้นจะ ถึงกับ ง, งงงันแล้วก็ตายไปก็มีอันนี้ถ้าเราจะดูในสัตว์ต่างๆเช่นวัตว์เดริชานแมวอย่างเงี้ยบางทีมันไปจ้องมองดูจิ้งจกหรือมองดูสิ่งหนึ่งเนี่ยด้วยตาด้วยไม่กับคลิปตาของมันเนี่ยแล้วสิ่งนั้นมันจะตกลงมามันก็ตะคุกกินก็มีอันนี้มันก็เป็นเป็นรูปของมันช น, นิดหนึ่งเหมือนกันสัตว์เดรชานที่ที่มันใช้วิธีท่านึงตาดูล่อเหยื่อมันก็ตกลงมาให้กิน นั้นมนุษย์เราก็คงจะเปลี่ยนไปได้เหมือนกันในอัตตาท่านได้กล่าวไว้ในว่าพิสูจมีตาเป็นเทธในการที่จะทะลุดูคนใดคนหนึ่งเราก็ไม่ต้องยากอะไรเราก็ดูตาต่อตาดูต่อกันมันก็ยังเกิดมีอะไรที่ในการที่จะอะ่มีความชอบพอที่ อ, อะไรแต่ก็เป็นฤทธชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เราดูแล้วก็ทําให้เกิดความชอบพอกันแต่นี่ว่าดูเพื่อให้เกิดความไม่ชอบพอแล้วก็มองตากันบางทีก็เกิดความไม่พอใจโกรธกันถึงฆ่าตายกันคก่มี้ ในเรามีอำนาจอันริษอำนาจชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เราดูแล้วเกิดความไม่พอใจและฆ่ากันก็มีอทำลายกันจนตายก็มีถ้าเราว่ากันในในปัจจุบันในรเนี่ยที่เราจะเห็นได้ง่ายก็คืออาจจะเอาริษของมือนะปล่อยมือให้เข้าไปกัดหรือปล่อยพวกที่เป็นพิษต่างๆเข้าไปกัดก็คงจะต้องตายหรือเอาพิษต่างๆฉีดเข้าเส้นโลหิต เพื่อให้เขาตายนี่ก็เป็นวิทย์ชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เขาตายได้ก็เป็นอาบัตหรือเรียก ว, ว่าทําร้ายกาันด้วยวิทย์นะซึ่งแปลกจากวิชาวิชานั้นเป็นเป็นของที่เกิดขึ้นโดยการศึกษาเราเรียนแล้วก็ปฏิบัติตามรับทิหรือตามเรื่องของพยาศาสตร์แล้วเกิดความอฤๅ อที่ฤิ์ขึ้นมาในลักษณะนั้นแต่ว่าฤทธิ์ที่กล่าวในตอนในช่วงหลัในอันหลังนั้นเป็นฤทธิ์ที่เกิดโดยธรรมชาตินั้นจะทำร้ายด้วยวิชาหรือจะทำ ร, าร้ายด้วยฤทธิ์ก็ตามก็เป็นอบบติถึงที่สุดนั้นการฆ่ามนุษย์นั้นก็หมายเอาตั้งแต่แรกปฏิสทุทธิในคันของบรรดาจะใช้การฆ่าในการาเรียกว่าทำให้แท่งหรือ ให้ยากินเพื่อจะทำให้ลูกที่อยู่ในคันนั้นตายหรือแทงออกไปก็เป็นอาบัติถึงที่สุดเพราะได้กล่าวแล้วว่ากายมนุษย์หมายถึงแยกปฏิสนธิเลยทีเดียวนั่นการปฏิสนธิแล้วเนี่ยพระจะทำยาให้เขาบริโภคเพื่อให้ลูกตายอย่างนี้ไม่ได้เป็นอาบัติถึงปารชิกเลยทีเดียวหรือจะใช้อะไรก็แล้วแต่จะมีด ใช้มือบิดใช้มือนวดเพื่อให้ลูกตายในท้องก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเป็นอัตรายถึงที่สุดฉะนั้นฟิกสูในจะต้องระมัดระวังบางทีเห็นเยิมที่ผู้หญิงมาขอร้องให้ช่วยเหลือเมื่อเกิดมือท้องแต่หาพ่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกิดจะให้พระได้ช่วยเหลือทำอย่างไรลูกของตนที่จะแท้งออกไปมาปรึกษาพระจะไม่รู้ก็อาจจะทาให้ได้จริงๆทาไม่ได้นะ เป็นอาบัติถึงที่สุด ข, ขาดจา ก, การเป็นพิสุเอพราะเป็นการฆ่ามนุษย์ให้ตายนั้นจึงเริ่มัดระวังนอกจากการฆ่าด้วยประการห้าประการดังที่กล่าวคือให้ประหารทรัพย์ใจทหารวางไว้ทำร้ายทำร้ายด้วยวิชาและทำร้ายโดยฤทธิ์แล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าคนอื่นให้ตายด้วยอานาจเช่นอพรนาคุณแห่งความตาย เลชักชวนเพื่ออันตายเช่นว่าเห็นคนอื่นเขาได้รับทุกข์ได้รับความลําบากอย่างนั้นอย่างนี้ก็เห็นว่าเขาทุกข์ก็อยากให้พ้นจากทุกข์คือให้ฆ่าตัวเองตายนะชักชวนเพื่ออันตายอย่างนี้ก็ไม่ได้เลยนะจากนั้นท่านจะอยู่ไปทำไมตายก็จะสุขสบายอย่างนั้นอย่างนี้นะหาแสวงหาอาวุธให้เขาฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็ไม่ได้เส้นั้นนี้ก็เคยมีเรื่องกล่าวว่าในพระไตรปิฎกอย่เหมือนกัน เนที่สือรูปหนึ่งเนี่ยเห็นเห็นพราหม์คนหนึ่งซึ่งมีภรรยาสาวและก็สวยด้วยที่สื่อรูปนั้นก็เกิดความพอใจในอันที่อยากจะได้ภรรยาของพราหมคนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงพราหม์คนนั้นก็ไม่สบายป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จึงได้พรณาคุณความตายให้แก่พราหม์คนนั้นเพื่อให้เขาเขาฆ่าตัวเองตายและตนเองก็จะศึกไปแต่งงานกับอ่าอ่าพราหมณีซึ่งเป็นแฟนของพราหมนั้น พรณนาไม่เห็นความเปลี่ยบาตรท่านจะอยู่ไปทําไมตายไปแล้วจะมีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนี้ท่ อ, อยู่อย่างนี้มีความลําบา ก, เ ด, ก เ, าเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้เขาเห็นดีเห็นชอบด้วยไปพัฒน า, าคุณอย่างนั้นแล้เวเขาฆ่าตัวตายอย่างนี้น่าจะลำบากปาลชิกนะพรณนาให้เขาเห็นในการฆ่าตัวตายเป็นปราระชิกหวังที่จะได้ภรรยาของเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะ ดฉะนั้นก็จะแม้ไปชักชวนเพื่ออันตายพรรณนาแห่งความตายอะไรก็ตามที่ก็ทำไม่ได้นะทาไม่ได้ปิ๊สุเป็นอ ბ ัตถถึงเป็นปาระชิกเลยทีเดียวฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวเหล่านีนะ้การฆ่านี้นะแม้จะไม่ได้ฆ่าได้ตนเองนะจะใช้ให้นคนอื่นฆ่านี่ยก็เป็นอ ბ ัตถเหมือนกันนะ เช่นพลาดชีวิตมนุษย์เนี่ยที่เราจะพลากเลยใช้คนอื่นไปนพลากเนี่ยเป็นอาบัติและก็สิ่ขาบทนี้เป็นสานิติกะคำว่าสารนิติกะก็ได้กล่าวไว้แล้วในสิ่ขาบทก่อนว่าต้องเพราะสั่งคำว่าต้องเพราะสั่งก็คือสั่งให้เขาทำก็เป็นอาบัติทำเองก็เป็นอาบัตินะสานิติกะนะฉะนั้นในสิ่ขาบทนี้ ก็เป็นอาบัตตลอดถึงว่าพิเศษมีอำนาจเอากัตวะอาวุธหรือของอย่างอื่นส่งให้หรือวางไว้แก่มนุษย์ที่เป็นปรารถนาจะให้ฆ่าตัวเองตายหรือบังคับให้เขาฆ่าตัวเองอย่างนี้ก็ก็เป็นอบัติถึงที่สุดนะจะทําไม่ได้เหมือนกันทําไม่ได้จะใช้ก็เดินก็ฆ่าอ่ากอเขาเองหรือว่าชาอ่าสั่งให้ใครไปฆ่าใครก็ไม่ได้เหมือนกัน เช่นในปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่าจ้างให้คนอื่นไปฆ่าคนอย่างเนี้เช่นมีอิทธิพลสมมติว่ามีคนมาอทําร้ายหรือมีคนมาอทําไม่ดีไม่งามต่อวัดต่อพระาศาสนาเนี่ยเราไม่พอใจก็รู้ว่าคนนั้นแหละเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจ้างคนไปฆ่าอย่างเนี้ยพราะเป็นคนจ้างอย่างเนี้ยทําไม่ได้นยทําไม่ได้ก็คือว่าจ้างคนอื่นไปฆ่า ก็เป็นอาบัตินะแจะจ้างให้คารวะได้ จ, จ้างให้พระไปฆ่าก็เป็นอาบัติทั้งสิ้นเมื่อเขาฆ่าสําเร็จดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในการที่จะทําลายคนอื่นฆ่าคนอื่นนั้นทําไม่ได้เลยเอต้องระมัดระวังให้อย่างมากทีเดียวในเรื่องเหล่านี้บางทีคิดว่าฆ่าโดยตนเองเอ่าจึงจะเป็นอาบัติที่จริงฆ่าโดยการสั่งก็เป็นอาบัติเหมือนกันงนั้นการสั่งนี้ แล้วก็อยู่ในลักษณะที่ได้กล่าวว่าในสิทธาบทของการสั่งถ้าสั่งโดยไม่ปริกกับคือสั่งไม่ปริไม่มีปริกกับหรือสั่งเจาะจงบุคคลสั่งเจาะจงกําหนดเวลาหรือว่าสั่งโดยใช้ใบหรือว่าสั่งโดยที่พูดไม่ตายตัวก็แล้วแตนะ่การสั่งชนิดไหนแต่ก็ต้องมีลักษณะของการสั่ง อถ้าสั่งไม่มีปริกับคือสั่งให้ฆ่าอย่างนี้ไม่ได้บอกว่ากำหนดเวลาอันนี้เขาฆ่าสําเร็จเมื่อไหร่ก็เป็นอบัติถึงที่สุดเป็นปาราชิกเหมือนกันนะหรือวาอ่าสั่งเจาะจงบุคคลเช่นเราให้ไปฆ่าบุคคลชื่อนี้อย่างเนี้ยแล้วไปฆ่าตามนั้นอันนี้ก็เป็นอบัติถึงปาละชิกแต่ถ้าหาว่าสั่งให้ไปฆ่าบุคคลนี้ผู้ที่รับสั่งไปนั้น ไปฆ่าอีกบุคคลหนึ่งผู้สั่งไม่มีโทษแต่ผู้ไปกระทำนั้นมีโทษอย่างนี้นะสั่งกําหนดเวลาเช่นให้ฆ่าในตอนเช้าไปฆ่าตามนั้นนี่เป็นอบัติถึงที่สุดแต่ว่าสั่งให้ฆ่าตอนเช้าผู้รับสั่งกลับไปฆ่าในตอนอื่นก็ผู้สั่งไม่มีโท ษ, ผโทษน ะ, าาะทผู้รับสั่งฝ่ออ ก, งนะงก็มีโทษเป็นอบัติถึงที่สุดมั่งกะนะหรือว่า ได้สั่งไปแล้วได้ห้ามเสียแล้วคือสั่งไปแล้วก็มาคิดว่าไม่ดีก็เลยว่าอย่าไปทําก็เลยแต่คนรับสั่งนั้นกลับไปทําเข้าผู้สั่งก็ไม่มีโทษเพราะได้ห้ามเสียแล้วนะผู้สั่งอผู้รับสั่งจึงมีโทษแต่คนเดียวไปหรือสั่งต่อเช่นว่าสั่งต่อให้ภิกษุกอให้เให้ภิกษุก่อไปบอกภิกษุขอให้ภิกษุขอไปสั่งภิกษุ คอ่อาข้าพิสูงงออย่างนี้ถ้าผู้สั่งบอกพิสุกรให้ไปบอกเป็นลําดับไปแต่พิสูกรไม่บอกอย่างนั้นกลับไปบอกพิสูุอื่นเลยทีเดียวผู้สั่งก็ไม่มีโทษนั้นถ้าสั่งแล้วก็ทำํทำตามลาดับผู้สั่งตลอดจงผู้รับสั่งก็มีโทษด้วยกันหมายมาาถึงพิสูจนทั้งหมดะก็เป็นหน้าบัดถึงพิสูจน์เดยกันนั้นก็ต้องดูในการที่สั่งนั้นมีกําหนดขอบเขตอย่างไรหรือไม่หรือสั่งโดยใช่ใบ้ แนะี่ยใช่ใบโดยแสดงอาการขยิบตาพยักหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ฟังเข้าใจแล้วก็ไปฆ่าตามนั้นก็เป็นอบัติถึงที่สุดหรือว่าไม่ตายผู้ไม่ตายตัวเช่นสั่งให้ได้โ อ, อกาสเมื่อไหร่ก็ฆ่าเหมือนนั้นอย่างนี้ก็ผู้ที่รับสั่งไปฆ่าสําเร็จเมื่อไหร่ก็เป็นอบัติถ็งที่สุดในเรื่องของการฆ่าในเรื่องของการฆ่าก็เป็นอบัติถึงที่สุดได้อย่างนี้ อทีนี <c oughs> ้การค่าดางที่กล่าวมานั้นเนี่ยก็กําหนดอาบัตอย่างไรกําหนดวัตถุที่เป็นเหตุแห่งอาบัตคือต้องอาบัตินั้นถ้าเป็นมนุษย์ยก็หมายถึงกายมนุษย์นเป็นวัตถุแห่งอาบัตปาราชิกถ้าหากว่าอาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสัตว์ที่เรียกว่าอมนุษย์ ต่างโดยเป็นยักษ์เป็นเปรตนะหรือสัตวเดรัจฉานที่มีฤทธิ์เนี่ยก็เป็นบ้านตัแหงธุระใจหมายถึงว่าพวกอมนุษย์นี่ไม่ใช่มนุษย์แล้วแต่ว่าเป็นพวกยักษ์พวกเปรตพวกเอผีสางนางไม้ต่างๆเนี่ยที่สูกข่าเป็นธุระใจนะแล้วก็สัตวรัจฉานที่มีฤทธิ์เป็นพญานาคหรยอน่ า, นาต่า ง, างๆเนี่ยก็เป็นธุระใจเหมือนกันส่วนสัตวเดรัจฉานทั่วไป ก็เป็นอบัตปารจิตีนะพราะมียาบัตแน่เพราะ ม, านะาะมาีสิขาบทเกี่ยวกับปาจิตีไว้อในปาจิตีข้อสิบสองนี่ข่าสัตว์ต้องปารจิตข้อข้าตว์ต้องปารจิตีเออนั้นข่าสัตว์โดยฉานทั่วไปก็เป็นอบัตปารจิตีก็อาการที่จัดจำง่ายๆก็คือว่าพิกษุณพยายามฆ่ามนุษย์นะฆ่ามนุษย์เนี่ยฆ่าคนนี่ ถ้าทำสำเร็จต้องปารายชีถ้าทำไม่สำเร็จเป็นแต่เพียงได้รับบาทเจ็บต้องอาบัติทุนละใจถ้าทำไม่ถึงนั้นก็เป็นแค่ทุกกด น, นะไม่ถึงไม่ไม่ถึงกับบาตเจ็บก็เป็นแค่อาบัติทุกกดดังนั้นถาาว่าถ้าพยายามฆ่าตัวเองเนี่ยอันนี้ท่านก็ปรับเป็นทุกกด น, นะ พยายามฆ่าสัตว์อื่นนกักพยายามฆ่าสัตว์อื่นก็ต้องอบัตตามวัตถุคำว่ า, าสัตว์อื่นก็หมายถึงพวกอาวมนุษย์โวกสัตว์เลี้ยฉันต่างๆนี่ะนะก็ตามวัตถุก็หมายถึงฆ่าอามนุษย์พวกยักษ์พวเฟรตก็เป็นทุนจัยหรือฆ่าสัาตว์เลี้ยฉันทั่วไปก็เป็นอาบัติทุกกฎนะอบัตในสี่ขาบที้ก็ก็เป็นสจิตตกนะนมเป็นสจิตตะกั คือเจตนาจึงต้องถ้าไม่มีเจตนาไม่ต้องเราไม่มีเจตนาในการที่จะฆ่าสัตว์เหล่านั้นก็ไม่ต้องอาบัตอะไรถ้าไม่มีเจตนานะถ้าเจตนาแล้วก็จึงเป็นอาบัตนะในสิขาบทที่สามนี้นั้นก็ึวงระมัดระวังในการที่ เ, เราจะต้องอรู้เอาไว้ในการที่จะประพฤติปฏิบัติตัวอย่างใคร จึงจะไม่ต้องอบัตประเภทนี้อทีนี้ก็มาเดวสิขาบทที่สี่แห่งปาราชิตซึ่งเป็นสิขาบทสุดท้ายสิขาบทที่สี่แห่งปาราชิตนี้ก็ได้กล่าวว่าทิคสูอวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาราชิตคำว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์นั้นหมายถึงแค่ไหน อมเมท่านได้กล่าวไว้เป็นข้อสรุปว่าเปริตมนุสธรรมธรรมยิ่งของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์อันเลียิ่งนั้นได้แก่ชานกับโลกุตรธรรมชานนั้นก็หมายอารูปฌานกับอรูปฌานรูปฌานก็เกิดขึ้นจากการเจริญกรรมฐานที่เป็นสมผัสโดยอาศัยการเท่ง คือการกำหนดภาวนาในสิ่งที่เป็นส่วนรูปธรรมฌานมีตั้งฌานสี่รูปฌานสี่หรือปัญจมาฌานว่าโดยจตุกันัยนั้นรูปฌานมีสี่คือปฐมฌานทุเตียฌานตาเตียฌานเจตุตาฌานว่าโดยปัญจกันฑ์ก็มีห้ารูปฌานปฐมฌานทุเตียฌานตาเตียฌานเจตุตาฌานปัญจมาฌาน แล้วก็อรูปฌานสี่ก็มีอาการสารนันใจตนะวิญญาณันใจตนะอากิณจันใหญ่ตนะเมวะสัญญาณาสัญใหญ่ตนะนี่เป็นเป็นอุตริมนุสธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์มนุษย์เนี่ยทำซึ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นยากไม่ยากที่จะทําให้เกิดขึ้นในจิตใจได้ซึ่งถือว่าผู้ใดทําได้ได้รูปฌานแม่รูปฌานผู้นั้นถือว่ามีทำอันยิ่งในจิตใจเอ แล้วก็โลกุตละธรรม 9, เก้าในแก่มรรคสี่ผลสี่ทิพานหนึ่งนี่จะเป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์ยากที่มนุษย์จะทําให้เกิดมีขึ้นได้เนี่ยนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้คุณธรรมดังเล่าวนี้นีไม่ได้คุณธรรมคือไม่ไรูปฌานอรูปฌานไม่ได้โลกุตระเลยแล้วไปอวดอ้างว่าเป็นผู้ได้อวดจังจัง ผู้ฟังเข้าใจนะ่ะเป็นปาละชิกไปทีเดียวว่าเข้าไปเจ้าได้อย่างนั้นเข้าไปเจ้าได้มักเข้าไปเจ้าได้พ้นเข้าไปเจ้าได้นิพพานเข้าไปเจ้าได้ชามได้วิมุตต์ได้วิโมกข์เหมนเดินอากาศนำดินล่องหนอะไรดอกอะไรก็แล้วแต่นะ่ะอวดอย่างนั้นโดยไม่มีสิ่งนะผู้ฟังเข้าใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็าตามเป็นปาละชิกทางนั้นนะถ้าผู้ฟังเข้าใจ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันในปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของฟาริยะบุคคลหลายที่หลายแห่งที่ได้ยินได้ปรากฏอยู่ก็เป็นห่วงอยู่ว่าถ้าไม่มีจริงแล้วก็จะเข้าลักษณะในข้ออุตริมนุษยธรรมเป็นอวดว่าเป็นอริยะบุคคล และก็ยืนยันว่าเป็นอริยบุคคลอย่างนั้นถ้ามีเจตนาในการที่จะอวดอ้าง <c oughs> อย่างนั้นไม่ได้ไม่มีจริงหรือไม่ได้ทาอะไรอย่างนั้นจริงก็ก็น่าเป็นห่วงว่าจะต้องไม่พ้นจากในสิกขาบทนี้นั้นเราก็จะต้องดูว่าผู้ที่กล่าวอวดหรือผู้ที่กล่าวอ้างนั้นจะเป็นเอ ผู้ได้เลโอุตระหรือเป็นผู้ได้อุตริมนุษยธรรมจริงหรือไม่เราก็เดินได้ในสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ามไว้เช่นไม่สิกขาบทที่แปดแห่งนูกสาวาวะทวัได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าภิกษุบอกอุตริมนุษยธรรมที่มีจริงแก่อนุปัตสัมบันต้องป่าจิตติถ้าไม่ีจริงดอกก็เป็นปาจิตติอีกคือเพชรทุตบัญญัติทั้งหมดเลยไม่มีจริง ไปอวดเป็นปาลาชิกมีจริงบอกคนอื่นเป็นปาจิตตินั้นถ้าเป็นอริยบุคคลคือเป็นมุขคนเพื่บประโย์จริงก็จะไม่อาจสามารถเลื่องละเมิดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในสิกขาบทที่แปดแห่งฝ่าแห่งมุสาวัรมภที่กล่าวแล้วฉะนั้นก็พิจารณาได้เลย ว, ว่าผู้ที่กล่าวอวดว่าเป็นอ ร, ริยะหรือกล่าวอวดว่าเป็นได้อย่างนั้นอย่างนี้นั้นผู้นั้นคือไม่ได้ มันคืไม่ได้ถ้าได้จะไม่อวดผู้อวดก็คือผู้ไม่ได้นั่นเองนะอันนี้ก็พึงพิจารณาให้รอบครอบในการที่จะพิจารณาบุคคลนั้นเป็นอยะไร อ, อย่างไรนั้นพิษุที่อวดอุตตุมนุสธรรมนั้นก็ถ้าไม่ได้ดังที่กล่าวแล้วจะเป็นการอวดว่าได้สมาธิชนอปน า, าคือได้ฌานเนี่ยนะแต่ไม่มีจีก็ เป็นเหตุให้ต้องอบัตินั้นผู้ที่บวชเข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้ว่า อ, อย่างไรบางคนก็มันจะไปอดไปนั่งสมาธิจะไปเห็นมื่เห็นนี่เห็นนรกเห็นสวัสิเห็นอะไรอะไรมากมายก็ก็เลยเอามาว่ากั น, น, นถ้าหากว่าเราได้ศึกษาได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็จะหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงในลักษณะของตนได้อย่างนั้นต้นได้อย่างนี้แต่ว่าตามสอนคนอื่นนั้นสอนได้คือเราใช้หลักธรรมในทาง ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบัญญัติหรือแสดงไว้อย่างไรมาสอนต่อได้แต่ว่าจะอุดอั้งว่าตนเองได้นั้นเป็นการไม่ชอบเลยพระธรรมวินยัยสำหรับการเูดเรื่องของพระยมัยเกี่ยวกับประอัติชีวในวันนี้ก็เูดมาถึงข้อที่สี่แต่ว่ายังไม่จบเวลาก็ได้ยุติลงแล้วก็ขอความสุขสวัส ด, ดียังมีเห่าท่านทั้งหลายที่กำลังตั้งใจศึกษายอยู่ทุกๆท่าน สวัสดีครับท่านทั้งหลายที่กำลังศึกษาธรรมชั้นรตรีวันนี้ก็มาพบกันอีกในรายการสวีไนวันนี้ก็จะพูดในปารชิกสิกขาบทที่สี่ต่อจากครั้งที่แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วได้พูดในข้อนี้แต่ไม่จบก็จะได้ว่าเป็นลำดับลาดับไป ปาราชิกสิ่ขาบทที่สี่นั้นก็คือภิกษุอวดอุตริมนุษสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนก็เป็นอบัติปาราชิกขาดจากการเป็นภิกษุทีนี้นอุตริมนุสธรรมนั้นก็คือธรรมอันยิ่งได้แก่ฌานกับโลกุตระฌานกับโลกุตระนี้เป็นอุตริมนุสธรรมเพราะเป็นธรรมสูงธรรมอันยิ่ง และก็เป็นธรรมที่ถ้าผู้ใดเข้าถึงแล้วก็ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ประเสริญยิ่งกว่าธรรมดาธรรมนาทั่วไปเน้นฌานกับโลกุตระจึงถือว่าเป็นธรรมที่เรียกว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมันยิ่งของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์อันยวดยิ่ง <c oughs> และภิกษุกล่าวอวดเอ่อเขามาต้งองอวดจังๆว่าตนได้สําเร็จอย่างนั้นได้สําเร็จอย่างนี้ เอผู้ฟังเข้าใจจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นปาลชิกนะทีนี้ถ้าอวดเอไม่เจาะจงคืออวดแบบว่าไม่ได้อวดเอโดยแจ้งชัดนะเรียกว่าไม่เจาะจงอผู้ฟังจะเป็นใครก็ตามไม่เจาะจงคนนั้นคนนี้อวดไปเช่นคนมากๆอย่างนี้ท่านบอกว่าแม้คนหนึ่งเข้าใจก็เป็นปาลชิกเหมือนกันนะอวดเรียกว่าอวด ในลักษณะที่ว่าไม่เจาะจงบุคคลเนี่ยคนผู้ใดผู้หนึ่งฟังเข้าใจก็ก็เป็นปาชิกเหมือนกันนี้ถ้ า, าว่าอวดแล้วผู้ฟังไม่เข้าใจเลยไม่รู้ว่าอะไรอย่างนี้ท่านว่าเป็นอาบัตแค่ทุรจใจยลดลงมาหน่อยเช่นเราอวดแก่พวกฝรัง่งพวกแขกที่ไม่รู้จักภาษาเนี่ยเราไปอวดว่าข้าพเจ้าได้ ชานได้วิมุติได้วิปุคเหาะเหินเดินอากาศล่องโอนดำดินอ่ากินเล็กอะไรก็แล้วแต่โอดอย่างนั้นเขาฟังไม่รู้เรื่องนะหรือว่าโอทว่าไดโสดาสกทาอนาคาอารหันไดถึงนิพพานพ้นจากทุกข์หลุดพน้นจากอาสวะกิเลสไปอวดกับคนที่ไม่รู้จักภาษาเขาฟังไม่รู้เรื่องถ้าผู้ฟังไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นผู้น่าใจไม่เป็นปรารชิกนะ แต่ถ้าฟังรู้เรื่องแต่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นปาราชิกนะถ้าอวดแบบที่ว่าผูาาฟ้ฟังเข้าใจจะเชื่อไม่เชื่อเป็นปาราชิกทั้งนั้นแต่ถ้าไม่เข้าใจเนะี่ยเป็นปุถุจัยนีการอวดโดยอ้อมนะถ้าอวดโดยอ้อมจะเป็นอบัตอะไรหรือไม่อวดโดยอ้อมเนี่ยอดอย่างไรอวดโดยอ้อม น, ะออดดออ น, นั้นก็คืออ้างลักษณะรูปพรร์สัณฐาน อ้างบริขารคือบาดจีวร อ, อ้างที่อยู่อาศัยเช่นอวดว่าได้เห็นภิกษุที่มีลักษณะรูปร่างสันฐานต่ำต่ ำ, ตำตเตี้ยตเตี้ยขาวขาวอะไรก็แล้วแต่อมีลักษณะอย่างนั้นนะและก็บริขารเช่นห่มผ้าสีกลัดหรือห่มผ้าสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่ มีบาดใหญ่ๆมีสะพายด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ะจะอ้างมาและก็วหวอยู่ที่กุฏิหลังนั้นอยู่วัดทั้นนั้นอ่าโดยโดยแสดงลักษณะอย่างนี้นะถึงที่อยู่ตลอดถึงบริหารต่างๆอ่าโดยที่จะทําอย่างไรที่จะให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเป็นคนอย่างนั้นคืออ้างเอาแต่ว่าไม่ไม่ไม่ชี้ว่าเป็นตนแต่ว่าให้เขารู้ว่ามันตนเองมีชื่ออย่างเนี้ย และก็ไปอ้างว่าผมผ้าอย่างนี้เอ่อก็อ้างลักษณะอย่างนั้นะผู้ฟังเข้าใจก็เป็นทุจริตนิว่าอวดโดยอ้อมไม่บอกว่าอาตมาอย่างนั้นเม่บอกว่าอาตมาอย่างนี้แต่บอกว่าภิกษุรูปนั้นมีรูปอย่างนั้นมีสันฐานอย่างนั้นขาวอย่างนั้นแดงอย่างนั้นดําอย่างนั้นตามอย่างนั้นสูงอย่างนั้นมีจีวรอย่างนั้นมีบาทอย่างนั้นที่อยู่อยู่ที่นั่นเอ่อคือให้คนอื่นมันนำอย่างทําอย่างไรจะทําความเข้าใจให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเองนั่นเอง นะอวดอย่างนี้ผู้ฟังเขาใยออเป็นทุลจใจถ้าเขาฟังไม่เข้าใจเป็นแค่อาบัตทุกข์นะฮะพูดง่ายง่ายก็คือว่าอวดอุตตริมนุษยธรรมโดยตรงผู้ฟังเข้าใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นปาราชิกอวดโดยอ้อมนะผู้ฟังเข้าอวดโดยอ้อมเนี่ยผู้ฟังเข้าใจเป็นทุลจใจไม่เข้าใจเป็นทุกข์กฏนี่นั่นอวบ ในสิกขาบทนี้ก็เป็นสจิตตาเป็นสจิตตกะเหมือนกันนะเป็นได้เจตนาในการที่จะอวดอ้างนะจึงต้องอาบัติถ้าไม่มีเจตนาเช่นสำคัญผิดนะได้แก่พูดด้วยสำคัญว่าได้บรรลุหรือไม่มีความประสงค์ในอันที่จะอวดอ้างอย่างนี้ก็ไม่เป็นอาบัติอะไรนะก็เกี่ยวกับการอวดในลักษณะผู้หวังลาบหวังผล หวังสักการะต่างๆหรือหวังที่จะให้คนยกย่องอะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นก็เรียกว่าอวดด้วยเจตนาอย่างนั้นแต่สำคัญผิดแล้วก็พูดขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้ก็ก็ไม่ถือว่าเป็นกานอรอวดในที่นี้แล้วก็ไม่เป็นอาัต ด, ด้วยนะเจตนาจึงต้องไม่เจตนาไม่ต้องอาบัตในปาราชิกทั้งสี่สิกขาบทนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาบัตหนักนะ เป็นอาบัตหนักเรียกว่าครุกาบัตเป็นอาบัตหนักหนักมากอาบัตปรารชิกและหนักในลักษณะที่แก้ไขไม่ได้เรียกว่าอะเตกิจชาอาบัตปารชิกทั้งสี่นี่เป็นอเตกิจชาแก้ไขไม่ได้ไม่แก้ไขไม่ได้เลยจะเยียวยาอย่างไรก็ไม่ได้ท่านอุปมาไว้เหมือนกับบุรุษคอขาด ขาดแล้วนะถูกตัดขาดแล้วจะมาอ็อกจะมาต่อเพื่อให้มีชีวิตต่อไปนั้นก็คงไม่มีไม่เลยผลสาเร็จนะข้อนะอุปมาอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับใบไม้เหลืองที่มันหล่นลงมาจากขั่วแล้วจะเอาไปติดต่ออีกให้มันมีชีวิตให้มันงอกงามไปอีกก็คงเป็นไปไม่ได้อุปมาเหมือนกับตานยอดดวด จะเอาน้ำไปรดเอาน้ำไปทำไรก็มันก็ไม่งอกงามขึ้นมาจาั้นใดหรืออุปมาเหมือนแท่งศิลาที่แตกแล้วจะไปติดต่อให้มันสนิทเหมือนเดิมก็ทำไม่ได้ฉะนั้นแก้ไขไม่ได้ด้วยประการต่างๆเป็นอเตกิชาและก็เป็นมูลเฉตคือตัดรากเน่าตัดรากเน่านะเรียกว่าตัดรากเง่าเลย ไม่เป็นเชื้อสายของสมณะสักยบุตรแล้วอุปสมบทอีกก็ไม่เป็นภิกษุนะอุปสมบทอีกก็ไม่เป็นภิกษุเลยจำอุปสมบทในที่ใดอย่างไรก็ไม่อาจเป็นภิกษุมาได้เพราะภิกษุนั้นได้ขาดจากการเป็นภิกษุพิกพระวินัยอย่างร้ายแรงบวดในคราวใหม่ก็ไม่เป็นภิกษุได้เป็นอนัวเสดไม่มีส่วนเลือ นะไม่มีส่วนเหลืออะไรเลยหมดสภาพของการเป็นภิกษุภาวะในประพุทธศาสนาที่นั้นอบับปรารชิกนี้ภิกษุล่วงข้อใ ด, ข, ออนะ ข, อดข้อหนึ่งก็เป็นอาบทั้งนั้นเลยนะข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นอาบทั้งนั้นเมื่อเป็นอาบแล้วก็ไม่ได้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายอีก เหมือนในการที่ยังไม่ล่วงเรียกว่าเป็นปาราชิกหาสังวาสี้ได้อุปสมบทอีกก็ไม่เป็นพิสุโดยชอบกับพระธรรมวินัยตลอดชาติเลยทีเดียวตลอดชาติคือตลอดชีวิตนี้จะไปบวชที่ไหนอย่างไรก็ไม่เป็นพิกษุนะมันจะว่าถูกจับศึกพี่เขาเห็นกันแล้วและก็เชื่อแม่ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วและก็ไปบวชในที่อื่นอีกอย่างนี้ใช่ไม่ได้ ไม่เป็นภิกษุเพราะว่าได้ทำผิดอย่างใ้แรงก็ในเรื่องนี้ก็มีข่าวอยู่บ่อยๆเหมือนกันที่ว่ า, าถูกจับศึกและก็มีหลักฐานที่แน่ชัดแล้วก็มักจะไปบวชในที่ต่างๆอีกซึ่งก็เป็นการกระทำที่ไม่ชอบเท่าไรนักไม่ชอบเบิกธรรมวิ น, นัยนะนั้นก็ในปราชิกทั้งสีสิขาบทนี้จึงเป็น อ, อ, อาบัติที่ร้ายแรงเป็นอาบัติที่ขาดจากการเป็นภิกษุเลยทีเดียว ในฐานะที่เราเป็นภิกษุก็พึงระมัดระวังตั้งใจในการที่จะไม่ล่วงละเมิดในศีลคาบทเหล่านี้เพราะว่าล่วงละเมิดไปแล้วก็เป็นเหตุให้ขาดจากการเป็นภิกษุนะตั้งแต่การเสษเมทุนก็เป็นฟาราชิกรับของของเขาที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการเห่งขโมยราคาห้ามาสกคือหนึ่งบาทขึ้นไปก็เป็นฟาราชิกฆนะ่ามนุษย์แกงฆ่ามนุษย์ให้ตาย ก็เป็นปาราชิกหรือว่าอดอุตตริมนุสธรรมทำอันไม่มีอธรรมยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนก็เป็นปาราชิกเหมือนกันหมดนี่เป็นการสรุปในปาราชิกทั้งสี่แล้วก็ต้องแล้วก็แก้ไขไม่ได้ก็มีอย่างเดียวที่จะต้องทำก็คือการลาสิกขาไปไปเป็นคารวะวิสัยบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอย่างอื่นต่อไปก็พอทาได้ แต่ถ้าอยู่ในเพศภาวะของการเป็นพระนั้นก็จะเป็นเหตุให้บาปนะ น, นะท่านว่าห้ามนิพพานด้วยนะห้ามมรรคห้ามผลห้ามนิพพานคือไม่อาจสามารถที่จะปฏิบัติได้มรรคผลนิพพานได้และเมื่อถ่าลาออกไปหรือว่าสล่าเพศออกไปก็สามารถทาเป็นบุ ญ, บญเป็นกุศลได้ตามสมควรก็ถ้ารู้สึกหรือว่าแน่ใจในการที่ เร่วงละเมิดหรืออย่างไรก็ต้องพิจารณาให้แน่ชัดแล้วก็จะได้ปฏิบัติจะได้ไม่เกิดโทษแก่ชีวิตที่เราเกิดมานะทีนี้เราก็มาขึ้นกันต่อไปนะกันกต่อไปคือกันที่ห้ากันที่ห้านี่ว่าด้วยเรื่องของสังขารทิเศส <c oughs> สังขารทิเศตนี้มีทั้งหมดสิบสามข้อฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ลองเ อ, อท่อง <c oughs> นะท่อง ในข้อทั้งสิบสามข้อนี้ให้แม่นแน่นเลยทีเดียวทั้งสิบสามข้อเพราะเป็นหลักสูตรที่เราจะต้องท่องนะฮะสิบสามข้อนั้น <c oughs> กระผมได้ใช้วิธีให้ท่านทั้งหลายได้นำไปท่องแบบง่ายๆและก็แบบที่ท่องและขึ้นใจและสนุกด้วยทั้งสิบสามข้อและกจะท่องให้ฟังสักสามครั้งนำไปท่องเอาเองสิบสามข้อนั้นก็คือ ว่ากันโดยไม่ต้องบอกวันหนึ่งสองหละว่ากันไปเลยก็คืออสุจิจะพูดล่อสื่อกูดีทายกแกล้งหาเล่ทําลายตามญาติประกูลอสุจิจะพูดล่อสื่อคูดีทายกแกล้งหาเล่ทําลายตามญาติประกูลอสุจิจักพูดล่อสื่อกูดีทายกแกล้งหาเล่ทําลายตามญาติประกูลอืมสามครั้งแล้วนั่นก็ไปท่องตามนี้ท่องให้แม่นเลยจะไม่ลืมทั้งสิบสามข้อเอาล่ะ ตรงนี้เราก็มาดูแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ก่อนที่จะดูแต่ละข้อแต่ละข้อเรก็มาดูความหมายของคำว่าสังขารทิเศษกันก่อนสังขารทิเศษนั้นแปลว่าอะไรอันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนสังขารทิเศเนี้ท่านแปลวไว้สองในนะสองในในที่หนึ่งคือเป็นชื่อของอาบัต เป็นชื่อของอาบัตแปลว่าความละเมิดมีสงในกรรมเบื้องต้นและกรรมอันเหลือคือสงเองนั้นเป็นผู้ปรับโทษให้อยู่กรรมและสงเองเป็นผู้ถึงับอาบัตนั้นที่ว่ามีสงในกรรมเบื้องต้นก็มาจากคำว่าสังขาริเศษสังขาริเศษแยกออกเป็นสองสั์สังขะกับอาธิและแยกเป็นสามสั์สังขะอาทิและก็เศษสะ สังฆะนี่แปลว่าสงอาทิแปลว่าเบื้องต้นเศษหมายถึงส่วนเหลือเมื่อรวมทั้งสามสั์เข้าด้ยกันก็เป็นสังขารทิเศตแปล ว, ว่าความละเมิดมีสงในกรรมเบื้องต้นและกรรมอันเหลือที่ว่ามีสงในกรรมเบื้องต้นนั้นหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าเมื่อต้องอาบัตสังขารทิเศตนี้แล้วกตามเบื้องต้นก็ต้องสงเช่นให้ปริวาสนี่ก็ต้องอาศัยสง ถ้าหากปกปิดไว้ต้องขอปริวาสต่อสงฆ์สี่รูปเป็นอย่างน้อยเนเป็นกรรเบื้องต้นถ้าหากว่าไม่ไม่มีการปกปิดเช่นต้องอบัตติการติเศตแล้วบอกภิกษุให้ทราบเลยไม่ให้ร่วมคืนไปในข้อใดข้อหนึ่งที่เราต้องเนี่ยก็บอกทันทีว่าผมต้องอบัตังการติเศสนะเพราะการกระทําอย่างนั้นนะผมบอกไว้และได้โ อ, อกาสเมื่อไหร่ก็จะอยู่ประพฤติวุฒานวิธี อย่างนี้ไม่ชื่อว่าปกปิดเขาได้บอกทันทีไม่ให้ล่วงคืนไปถ้าบอกทันทีไม่มีการปกปิดอย่างนี้ไม่ต้องอยู่ปริวาสแต่ขึ้นมานัตเลยขอมาณต่อสงได้เลยนั่นกรรมเบื้องต้นของข้อ น, นี้ก็คือมานณไม่ใช่ปริวาสกรรมเบื้องต้นคือมาณมานณก็ต้องอาศัยสงนั่นแหละคือต้องขอต่อสงเมื่อสงให้มาณเราก็ประพฤติมานณอีกหกราตรีกรรมอันเดียก็คืออภาน ถ้าเราปกติไว้กรรมเบื้องต้นคือปริวาส ต, ต้องอยู่ปริวาสชดใช้วันที่ปกติซะก่อนกรรมที่เหลือก็คือมานั่นกับอภานอย่างนี้ยันทั้งกรรมเบื้องต้นและกรรมอันเหลือก็ต้องมีสงทั้งนั้นสงเองเป็นผู้ปรับโทษให้อยู่กรรมและก็สงเองเป็นผู้ระงับอาบัตสังฆาทิเศตน น, นะเมื่อได้ประพฤต ถูกต้องตามพระวินัยนิยมบรุษกุทธอนุญาตแล้วครบตามกำหนดก็ต้องอาศัยสงก็คือการออกอาภานสงเป็นจำนวนมากถึงยี่สิบรูปซึ่งเรียกกันว่าวีสติวัคเอง น, นี่ในที่หนึ่งนะนอสังกาติเศษในที่สองก็เป็นชื่อของสิกขาบทแปลว่าปรับอบัติสังกาธิเศษก็มีถึงสิบสามสิกขาบททั้งหมด ซึ่งได้กล่าวเป็นอักษรย่อแปล ว, ว่าอาสุจิจะพูดลอด่อสื่อกุดีพายกแกล้งหาเล่ทํำลายตามยากพระกูลก็จะอ่ชี้แจงให้เข้าใจว่าคําว่าอาสุจิจะพูดลอด่อสื่อกุดีนั้นหมายถึงอะไรอสุจินั้นเป็นคําย่อนะคําย่อในข้อที่ดึงแห่งสังคารทิเศสนในคําเต็มก็บอกว่าภิกษุแกล้งทําให้น้ํอาอสุจิเคลื่อนป้องสังคารทิเศษ นี่อะซุจิแล้วข้อสอนี่ว่าจับนั้นหมายคำว่าจับนั้นก็นมาจากคําว่าพี่สุมีความกําหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังขารทิเศสนี่แล้วคําว่าพูดละ่ะคําว่าพูดนี่ก็คําเต็มก็คือพิกสุมีความกําหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต้องสังขารทิเศต์แน่ล่อหน่ะคําเต็มก็คือ ภิกูุมีความกำหนับอยู่พูดล่อให้ผู้หญิงบำเรอตนด้วยกามต้องสังขารทิเศต์นะล่อแล้วก็สื่อคำว่าสื่อนั้นหมายถึงอะไรสื่อคำเต็มนั้นภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังขารทิเศต์นะล่อสื่อและก็ดีก็ดีหมายถึงอะไรนี่ก็มีอยู่ในสิกขาบทที่หกที่บอกว่า ภิกษุสร้างกุฏีที่จะต้องก่อด้วยปูนนะและปูนดินต้องก่อโบอกด้วยปูนดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำเพาะเป็นที่อยู่ของตนต้องทำให้ได้ประมาณประมาณนั้นก็คือยาวสิบอ่าอ่สิบสองคืบพระสุคตกว้างเจ็คืบวัดในรวมในแต่ต้องให้สงสแสดงที่ให้ก่อน ถ้าไม่ให้สงแสดงที่ให้ก่อนก็ดีทาให้เกินประมาณก็ดีต้องสังขาทิเศษก็เอาอาักษรยวกูดีตัวเดียวนี่กูดีทายกทายกในก็หมายถึงมาจากคำอในสิขาบทที่เจแ่งสังฆาทิเศตว่าถ้าที่อยู่ซึ่งจะสร้างขึ้นนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทําให้เกินประมาณนั้นได้แต่ต้องให้สงสดงที่ให้ก่อน ถ้าแม่สงสดางให้ก่อนต้องสังขารทิเศเนี่นี่ทายกแกล้งหาเลสนี่ในสิขาบทที่แปดว่าภิกษุโกรธเคืองแกล้งโจทย์ภิกษุอื่นด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลต้องสังขารทิเศตและหาเลสล่ะหาเลสก็มาจากคาเต็มว่าภิกษุโกรธเคืองแกล้งหาเลสโจทย์ภิกษุอื่นด้วยอาบัติปาราชิกต้องสังขารทิเศต แ, แกล้งหาเล่ทำลายตามยากตระกูลคข้ามาทำลายหมายถึงอะไรคำเต็มทำลายนี้มาจากคำว่าภิกษุภาคเพียนเพื่อทำลายส่งให้แตกกันทิกษุอื่นห้ามไม่ฟังส่งสวดกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังขารทิเศตนี่คำว่าภาคเพียนก็มาจากอย่างนี้ส่วนอ่าประพุติตามอ่ า, อา ทำลายตามยากคำว่าตามในชนี้ก็มาจากข้อสิบเอ็ดแห่งสังขารทิเศคว่าพิสูตประพฤติตามพิสูตพู้ทําลายส่งนั้นพิสูุอื่นห้าไม่ฟังสองสวนกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังขารทิเศตและในข้อสิบสองวายยากก็คือพิกษุว่ายากสอนญาตพิกษุอื่นห้าไม่ฟังสองสวนกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังขารทิเศตและสิ่งคำบทที่สามว่าตรูลก็มาจากคําว่า ภิกษุปทุศรายสกูลคือไปจบคารหัต ส, สงไลรจีจักวดัดกลับติเตียนสงภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวรกรรมเพื่อละให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังขารทิเศจฉะนั้นเราต้องคําย่อดได้แล้วก็ดูคําำเต็มเมื่อเราได้คําย่อจะนึกคําเต็มได้อย่างง่ายทีเดียวนั้นจะต้องท่องคออาําย่ออัตจิจักพูดล่อสื่อกดีทายกแกล้งหาเล่ทําลายสามญาตระกูล เราท่องสบายแล้วก็เมื่อได้แล้วจะนึกคำที่เต็มออกง่ายๆเอาละทีนี้เราก็มาดูแต่ละสิกขาบทแต่ละสิขาบทเป็นอันดับไปสิขาบทที่หนึ่งที่ว่าที่สุกแกล้งทำให้น้ำอาสุจิเคลื่อนเว้นไว้แต่ฝันต้้งสังขารติเศษออาสุจิหมายถึงอะไรคำว่าอาสุจินี่ก็ถ้าจะแปล ก, ก็คือน้ำไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ เรียกกันอีกหนึงหนึ่งก็แบบสุกกะหรือน้ำกามนะสุกะเลยมันน้ำกามภิกษุพยายามในอันที่จะทำให้สุกะหรืออาสุจินั้นเคลื่อนจากฐานด้วยนะเคลื่อนจากฐานด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นสังขารทิเศษน่ะเป็นอวบตั้งคันทิเศษ น, นะเราจะเรียกกันง่ายๆ อย่างไรอันนี้ก็คงจะฟังเข้าใจแหละนะไม่ต้องพูดโดยละเอียดว่าจะต้องทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้หรืว่าแกล้งทําให้มันเคลื่อนกันเลยกันก็เป็นสังขารทิเศษทีนี้ถ้าหากว่าอาจแกล้งทําให้น้ํอาอสุจิเคลื่อนนี่อถ้าเคลื่อนนะเป็นยังไงถ้าไม่เคลื่อนล่ะเป็นอะไรถ้าไม่เคลื่อนก็เป็นอบัตลดลงมาได้แก่ทุรย์ใจนะ พูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าประโยคแรกนะเป็นตุลวใจประโยคที่สองเป็นสังขารทิเศษคือทํายังไม่เคลื่อนก็เป็นแค่ตัวใจหรือถ้าเคลื่อนก็เป็นสังขารทิเศษแค่นั้นเองเนะี่ยให้เข้าใจอย่างนี้เรื่องในสังขารทิเศษสินค้าหมวดที่หนึ่งนี้ก็เคยมีต้นบัญญัติได้แก่พรสยกะพาะส ย, ก ะ, ะสยกะนี้ก็บวกเข้ามาแล้ว ก็มีความกระสันหรือเกิดความคิดในเรื่องของกามวิตกมากจนกระทั่งว่าร่างกายของท่านสู้ผอมนะพูดง่ายๆว่าสู้ผอมเป็นคนมีโรคอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจนทำให้อมีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าพระอุทายี อุทายีนี่เมื่อมาเห็นสายากกาที่สุขเข้าว่าเอ๊ะท่านทำไมจึงมีรูปร่างผอมเหลืองอ่ารู้สึกว่าจะมีโรคอะไรสักอย่างหนึ่งท่านก็บอกความเป็นจริงว่ามีความขัะสนมีการบาราฆาเกิดขึ้นมีความที่ตกในเรื่องของกามที่ตกอยู่ตลอดเวลาก็จึงทำให้สูบผอมลงไปอพระ อุทยีก็จึงเด่แนะวิธีให้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นแนะวิธีให้บอกว่าโอ้ยท่านท้าเป็นอย่างนั้นก็ท่านจะต้องมาต้องอดกลั้นอยู่ทําไมเมื่อออ่่าาเมื่อเกิดความอย่างนั้นเนี่ยท่านต้องบริโภคอาหารให้มันดีๆอุดมสมบูรณ์ดีๆอาบน้ำอาบผ้าให้มันดีๆนอนให้สบายเมื่อเกิดความกระหน่ำเมื่อไหร่ก็ปล่อยสุ ข, ขะออกไปเนี่ยผมก็เคยทํามาอย่างนี้นี่บอกว่าพระอุทยีได้กล่าวก็อย่างงั้น ท่านก็เลยเชื่อตามนะเชื่อตามเมื่อเชื่อตามท่านก็เลยเมื่อเกิดอาหารได้อาหารบริบูรณ์ดีได้อะไรดีๆมีนอนหลับสบายถึงเวลาเกิดความกำหนัดเกิดอะไรก็ปล่อยสุกัดออกมาก็ทําให้ท่านมีรูปร่างคือเปลง่งปลังขึ้นมาเรียกว่าไม่ผอมเหมือนเดิมแหละจนเป็นเหตุให้คนอื่นมาเห็นพระอื่นมาเห็นมาเห็นเข้าก็จึงได้ถามว่าเออท่านได้ยาอะไรกิน ท่านได้ยาอายุวะธนนะหรือยาบำรุงอะไรที่ไหนทําให้ร่างกายรู้สึกว่าตอนนี้เป่งปั่งดีรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนเดิมเนี่ยเปลี่ยนสภาพเป็นดีขึ้นมาท่านมีอะไรท่านก็บอกตามความเป็นจริงว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้ฉันอะไรไม่ได้ฉันยาอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าอได้บริโภคอาหารให้สมบูรณ์ดีอาหารดีด แล้วก็อาบน้ําไม่สบายนอนหลับนอนมากๆอะไรจานองนี้เมื่อเกิดความกําหนัดหรือเกิดความไขอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยสุ ก, กาดออกไปก็ทําให้สมบูรณ์อย่างนี้พระเหล่านั้นเมื่อได้ยินเข้าพูดจะมีความมัดน้อยสันโดษก็เกิดความเออพิสูจนี้เป็นอะไรกันเนี่ยนะเกิดความละอายแก่ใจนําความนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบก็ตรัสประชุมเรียดพิสูจผู้เป็นเจ้าการเข้าไป นายเรียกพิสูจน์เป็นเจ้าการก็ไปกระตัสถามพิสูจนั้นยอมรับยอมรับด้วยดพีพระพุทธองค์ก็ทรงตำหนิโทษด้วยประการต่างๆแล้วก็ทรงวางพุทธบัญญัติไว้พิกษุใดแกล้งทําในนามอสุจิเคลื่อนต้องสังขารทิเศษนะต้องสังขารทิเศษขึ้นมานี่ต้นเหตุที่ความเป็นมานั้นพิสูจน์ทอย่างนั้นไม่ได้แม้จะมีความรู้สึกมีการมิตรตกมีอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ ก็ต้องอดต้องทนต้องกัน้นต้องใช้กรรมฐานที่อุปชา ย, ยะท่านเลยให้ไว้ตั้งแต่วันบวชทําให้อาวุธไปแล้วในการที่จะปราบข้าศึกอันที่เกิดขึ้นในใจนี่คือกิเลสได้แก่ตัวการมราคะนี่ท่านสอนให้ตั้งแต่วันเกิดแล้วเกสาโลมานะขาธิตาปะโจอพิจารณาเป็นปฏิอนุโลมปฏิโลมห้อยกลับไปกลับมาเกสาผมทั้งหลาย ที่เกิดอยู่บนศีรษะนี่เป็นของไม่งามนะเกิดขึ้นอยู่กับหนังศีรษะซึ่งเป็นเต็มไปด้วยของโสโครกมากเกลียดโสโครกอะไรต่ออะไรท่านสอนไว้แล้วทั้งสันผานสีสันวรณณะที่ตั้งอยู่นั่นเนะ่ยเป็นของโสโครกอย่างไรผมที่เรามีอยู่เนี่ยตกลงไปในอาหารเนี่ยเราสังเกตว่ามันโสโครกอย่างไรตกลงไปในอาหารบางทีต้องเอาอาหารตกลงไปในข้าวเอาข้าวทิ้งเลยมันโสโครกหนึ่งขนาดต้องพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเป็นของไม่ หน่าดูเป็นของไม่งามนะเกสาโลมาขนทั้งหลายที่มีในสัพพางกายเว้นฝ่าเท้ากับฝ่ามือเนี่ยมันก็เป็นของไม่งามมันอยู่ไปทั่วไปหมดแหลยเราสังเกตมันมันเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกทั้งหลายเกสาโลมาน้าขาเล็บทั้งหลายทั้งเล็บมือเล็บเท้านี่มีทั้งหมดถึงยี่สิบเล็บแล้วเนี่ย ก็เป็นของไม่งามจะต้องตัดจะต้องแต่งจะต้องอายจะต้องคาสีแดงแดงดำดอะไรกันแล้วแต่ก็ล้วนแต่เป็นของไม่งามทางนั้นแหละลองเอาเล็บไปแกงให้ใครกินใครก็ไม่กินแล้วนั้นถ้าเราเห็นว่าเออเล็บมันก็ไม่งามนะผมขนเล็บพิ่จะนาด้ายหนังแต่เจ้าหนังที่อยู่ทั่วสัพพางกายมีรูปรุนไปนหมดเลย รูหลายๆรูมีเก้าถาวรมีมากกว่านั้นอีกเราก็พิจนารณาดูว่ามันล้วนแต่เป็นของโศโครกโศกปรกอะไรทั้งนั้นเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของสิ่งโศโครกทางนั้นเลยนี่อุปชาท่านสอนไว้ตั้งแต่ต้นนะเกศาโลมานขาทันตาฟันทั้งหลายนี้ก็เป็นของโศโครกนะต้องล้างต้องสีต้องขัดอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ขัดตลอดเวลาเราทดลองเอามาดมดูสักหน่อยหนึ่งก็เหม็น เนี่ยก็เป็นของโศกโรค嘛ดังนั้นจะเป็นผมขนเล็บหนังอ่าที่มีอยู่ทั่วสพางกายอะไรก็แล้วแต่เป็นของโสกโรกอุปชายะทําให้แล้วท่านให้ปราบด้วยกรรมฐานไม่ใช่ปราบด้วยการปล่อยให้มันออกมาอย่างนี้มันก็ยิ่งกําเริบกันใหญ่มันก็เลยไปกันใหญ่วุ่นวายกันใหญ่จึงมีข่าววุ่นวายกันขึ้นมาเพราะไม่ใช้อาวุธต่ออุปชายยะท่านให้ ถ้าเราใช้อาวุธพิจารณาเกสาโลมานขาปันตาตะโจตะโจอยู่เป็นประจำและให้ละเห็นเป็นความจริงให้มันโศโคกอย่างไรเห็นอย่างไรนั่นแหละมันจะคลายความหนักเมื่อเกิดนิพพทาความเบื่อนหน่ายแล้วมันก็จะคลายความหนักเมื่อเกิดคลายความกหนักมันก็จิตก็จะหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นนั่นก็ต้องใช้อาวุธที่พระพุทธเจ้าเป็นม่อให้ซึ่งองก์ปัญชยะท่านมาสอนตั้งแต่วันเราบวชเนี่ยไม่ใช่เกิด อะไรขึ้นมาก็จะปล่อยสุกะอย่างนั้นถ้าปล่อยไม่ได้นะเป็นสังขารทิเศษมี่ตนบัญญัติก็คือภระเสยยะกะแต่นี้ <c oughs> การปล่อยสุกะดังที่กล่าวมานั้นเนี่ยก็ก็เป็นาบาปดังที่กล่าวแล้วก็คื อ, อบัาปสังขารที่เสพฉะนั้นเราก็ฝึงระมัดระวังนะสินขาบทนี้อย่าล่วงละเมิดเป็นอันขาดเมตต้องแล้วก็การที่จะสแสดงการจะแก้ไขหนึน่งก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องประพฤติวุฒิฐานพิธีอยู่กรรม มันจึงจะพ้นจากอาบัตเหล่านั้นได้ <c oughs> สี่ขาบทนี้เป็นอนามนติกะนะคือว่ า, อาใช้ให้คนอื่นเข้าไปทำของเขาเองเนี่ยไม่เป็นอาบัตแต่ถ้าใช้ให้คนอื่นมาทำให้แก่ตนก็เป็นอาบัตเหมือนกันนะนะเเรียกว่าเป็นอนามัติกะไม่ต้องเพาะสั่งทำเองจึงต้องนะคือสั่งให้คนอื่นเข้าไปทำของเขาเองนี่ไม่เป็นอาบัตแต่ถ้าสั่งให้เขามาทากับเรานะเป็นอาบัตนะฉะนั้นก็เพงจำเอาไว้สี่ขาบทนี้นะ เป็น อ, า, อาบัตแค่สังคาติเศษถ้าทำสำเร็จนะเอาละเวลาวันนี้ก็หมดลงแล้วก็จะขอยุติในการพูดถึงกวินัยเกี่ยวกับสังคาติเศษสิขาบทที่หนึ่งไว้เพียงแค่นี้ข้อความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน